นะขอให้มีใจอยู่กับสมถาวิปัสนาใจที่อยู่กับสมถะและวิปัสนามันชดเชยได้ทุกเรื่องนะมันชดเชยความหิ้วทางจิตวิญญาณได้อย่างมากมายนะแต่ว่าที่สำคัญนะอย่าลืมว่าสมถะคืออะไรสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวาจาสัมากัมมันตาสัมมาชีวะส่วนวิปัสนาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังคัปปะถ้าใจเป็นไปกับอริยมรรค ถ้าใจเป็นไปกับสติประฐานถ้าใจเป็นไปกับสัมมาประธานถ้าใจเป็นไปกับอิทิบาทอินทรีย์พระโพธชงองค์มัตถ้าจิตใจเป็นไปกับโพธิปัจขยธธรรมทั้งหลายถ้ายินอย่างนี้นะถ้ามีตัวอื่นมาชดเชยมีกุศลธรรมมาชดเชยในจิตใจอย่างเต็มที่ย่อมได้ความสันโดษที่คนทั่วไปยินดีได้ยาก ว่าความสันโดษเนี่ยมันเขาบอกว่าซับเสมอ ด, ด้วยความสันโดษไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้โพธิปัจจะธรรมมันก็จะสันโดษในเรื่องอื่นทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่าอะไรได้ความสุขเต็มที่แล้วสมมุติถ้าเราทานอาหารจนอิ่มแป้เต็มที่แล้วเนี่ยนะจะเดินผ่านร้านอาหาร50ร้านเราก็เฉยเฉยถ้าอิ่มเต็มที่เลยนะท่านบางนว่าอิ่มแล้วไม่ต้งกลืนน้าลายก็ยังแทบจะไม่อยากกลืนนะถ้าอิ่มขนาดนั้นแล้วถามว่าเดินผ่านร้านอาหารเนี่ยสนใจไหม แทบไม่สนใจเลยนะถ้ากําลังทานอาหารอิ่มดื่มน้ําพอดีเป๊ะไหมเขาบช้อนเดียวก็ไม่รับอีกแล้วเนี่ยนะใครจะยกอะไรที่มันดีขนาดไหนมาก็จะช่เฉ ย, ยใช่ไหมก็เพราะอะไรเพราะไม่มีความต้องการเพราะอะไรเพราะภายในนี่มันอิ่มเรียบร้อยแล้วฉันใดถ้าใจอิ่มด้วยโพธิปักยธรรมถ้าใจอิ่มด้วยสติปฐานเป็นต้นไอ้ที่จะหิวในมหาพูดไม่มีอีกแล้ว ะที่จะหิวในรูปเสียงกลิ่นรสจะหิวในปัจใจสีเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเป็นต้นในสมัยพุทธกาลท่านจึงอยู่ด้วยความสุขน่นเะนะเทพบุตรก็ยังมีเหตุผลต่อไปอีกนะว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจิตนี้ตั้งไว้ในอารมณ์ภาวนาเนี่ยทำได้ยากแหมจะให้ใจเป็นไปกับสมถาวิปัสนามันยากเหลือเกินพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระอริยะบุคคลทั้งหลายผู้ยินดีในการสงบอินทรีย์มีตาเป็นต้นย่อมตั้งจิตแม้ที่ตั้งได้ยากถ้าหากว่าเลือกดูในสิ่งที่ควรดูได้เลือกฟังในสิ่งที่ควรฟังได้เลือกรูเ้เลือกดมในสิ่งที่ควรดมได้เลือกลิ้มรสในสิ่งที่ ควรลิ้มได้เลือกรับประทบโธภธาภะได้ที่พระองค์บอกว่าเลือกเสพในสิ่งที่ควรเสพไม่เสพในสิ่งที่ไม่ควรเสพเสพสิ่งใดแล้วอกุศลเกิดละออกไปเสพสิ่งใดแล้วกุศลเกิดหมายคําว่าคําว่าเสพนี่เห็นไมแปลว่าเสพเหมือนกันนะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรับรู้รสเรียกว่าเสพหมดพันถ้าหากว่าเห็นอะไรแล้วกุศลเกิดควรเจริญเห็นอะไรแล้วอกุศลมันเกิดควรละเป็นต้นถ้าแยกแยะอย่างนี้ได้เลือกเห็นเลือกได้ยินเลือก รู้กลิ่นเลือกรู้รสเลือกรับกระทบโพธาภะเลือกคิดได้ถ้าอย่างนี้ใจก็ตั้งมั่นไม่ยากไอ้ที่มันยากคือมันเลือกไม่ได้ปัญหาก็หมายความว่าไอ้ที่เลือกไม่ได้ก็เพราะมันมีเหตุผลอธิบายได้อธิบายว่าอย่างไงบ่โอ้ยก็รู้นะว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันจําเป็นนะมันจําเป็นแห่แห่แล้วก็อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดต่อไปเนี่ยนะแต่จริงๆถ้าหากว่าเลือกทวานเลือกเห็นเลือกได้ยินเลือกเลือกรู้กลิ่นเป็นต้นเลือก เลือกรับกระทบอารมณ์ในทวารทั้งหลายได้จิตก็ตั้งมั่นได้แต่ถ้าหากว่ามันติดเชื่อบ่อ ย, อยๆนี่ไม่ไหวนะพระพุทธเจ้าบอกว่าตาหูจมูกลิ่นกายใจท่านบอกว่าแผลแผลที่ติดเชื้อง่ายมากนะง่ายมากนั้นถ้าหากว่ารักษาแผลเหล่านี้ไม่ให้ติดเชื่อไม่ให้อักเสบได้ใจก็ตั้งมั่นไม่ยากดูก่อนการมทะพระอริยะบุคคลเหล่านั้นสามารถตัดตะไครยคือกิเลสของมัจจุราชไป เรียว่าขายดักตะข่ายที่ดักให้นําไปสู่ความตายนะบอกว่าถ้าเอาแห่เอาตะข่ายดักปล า, านะชาวประมงเขาเอาปลาไปทําอะไรเอาไปต้มเอาไปฆ่าฉันใดตะข่ายที่กาแมตันหาเป็นต้นดักเอาไว้ก็นําไปสู่ชาติชาราและมรณะส่วนพระอริยบุคคลทั้งหลายที่มีอินทรีย์สังวรดีใจก็ตั้งมั่นอ่นะทวนะว่าใจตั้งมั่นเกิดจากอะไรเกิดจากอินทรีย์สังวร นะอินทรีสังวร น, นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดใจตั้งมั่นหรือจิตที่ภาวนาจิตที่ยินดีในภาวนาก็เนื่องจากมีอะไระทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าบอกว่าสมณะธรรมทำได้ยากทำได้ถ้ามีมีศีลดีและมีความสันโดษทีนี้ผู้ที่มีความสันโดษมีศีลดีก็สามารถทำสมณะธรรมได้ไ อ, สอ้สันโดษก็ยากบอกสันโดษก็ไม่ยากถ้ายินดีในภาวนาภาวนาก็ทาได้ยาก ไม่ยากหร อ, ก ถ, อกถ้ามีอินทรีสังวรดันั้นถ้ามีอินทรีย์สังวรก็เป็นเหตุให้ยินดีในภาวนาผู้ที่ยินดีในภาวนาก็สามารถที่จะสันโดษผู้ที่สันโดษเป็นต้นก็สามารถที่จะทำส ม, มณะธรรมได้ น, น, นะเทพบุตรก็กล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคจเจ้าหนทางที่ไม่ราบเรียบนั้นนะไปได้ยากทางที่ไม่ราบเรียบนะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนการมท้พระอริยะทั้งหลายย่อมไปในหนทางแม้ที่ไม่ราบเรียบที่ไปได้ยากส่วนผู้ที่ไม่ใช่อริยะชนทั้งหลายย่อมมีศีรษะทิ่มลงในหนทางที่ไม่ราบเรียบไปได้ยากหนทางย่อมราบเรียบสําหรับพระอริยะทั้งหลายเพราะพระอริยะทั้งหลายเป็นผู้เสมอกันในหมูสัตว์อันไม่เสมอเป็นผู้มีความสม่ําเสมอในหมูสัตว์ที่ไม่มีความสม่ําเสมอเนี่ยนะ ก็ like Shut ทางเรียบหรือไม่เรียบเนี่ยนะเขาบอกว่าทีทท no ่ใดเป็นเหตุให้ทํากายทุจริตที่นั้นไม่เรียบที่ใดเป็นเหตุให้ทำวจีทุจริตที่นั้นไม่เรียบที่ใดเป็นเหตุให้เกิดมโนทุจริตที่นั้นไม่เรียบพนั้นอารมณ์ทั้งทุกทั้งหมดเนี่ยนะทุกหนทุกแห่งมันเป็นที่ตั้งแห่งกายตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบอกว่าโหทุกแห่งมันไม่เรียบเลยมันก็เห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะทําชั่วเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะพูดชั่วเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะ คิดชั่วมันทุกแห่งก็ถือว่ามันไม่เรียบเพราะเป็นเหตุให้ไม่สมำเสมอทางกายวาจาและใจแต่พระอริยะทั้งหลายท่านทำได้ท่านสามารถประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจในในอารมณ์ทั้งหมดในหมู่สัตว์ที่ไม่สมำเสมอในหมู่สัตว์ที่ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจพระอริยะบุคคลทั้งหลายท่านมีความ บริสุทธิ์มีความสะอาดมีความสม่ำเสมอทางกายวาจาและใจเพราะว่ากายวาจาใจนั่นแหละเป็นเหตุแห่งเขาบอกว่ากายวาจาใจเนี่ยนะพฤติกรรมกายวาจาใจบางอย่างเป็นประตูสู่นรกกายวาจาใจบางอย่างเป็นประตูสู่เดรัชานกายวาจาใจบางอย่างเป็นประตูสู่มนุษย์กายวาจาใจบางอย่างเป็นประตูสู่เทวโลกกายวาจาใจบางอย่างเป็นประตูสู่พรหมโลกกายวาจาใจบางอย่าง เป็นประตูนําสู่สุขคติเอ่อนำสู่พระนิพพานผันถ้าหากว่าสามารถประพฤติความดีประพฤติราบเรียบประพฤติสม่ําเสมอประพฤติด้วยสุดเจริตทั้งหลายก็สู่มรรคผลนิพพานได้กายวาจาก็คืออะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ ใจก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิพันธาประมวลกายวาจาใจเป็นไปกับมักแปได้ก็สามารถเดินทางในทางที่เราเรียกว่าเป็นทางไม่เรียบทางไม่เสมอได้ในหมูสัตว์ผู้ไม่มีความสม่ำเสมอในหมูสัตว์ที่ลุ่มลุ่ ม, มดอนๆเนี่ยนะลุ่มด้วยที่เรียกว่าลุ่มด้วยอํานาจตราคะดอนขึ้นด้วยอํานาจ โทสะลุ่มๆ่มดอนดอด้วยอำ น, นาจราคะโทสะก็เลยไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาและใจนั้นถ้าหากว่าภาริยะทั้งหลายเหล่านี้ท่านเดินทางเหล่านี้ได้นั้นภาริยะบุคคลเหล่านั้นท่านจึงเดินทางสู่ธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ว่าปุถุชนทั้งหลายก็มีเหตุผลที่จะต้องเฝ้าวัตฏะต่อไปปุถุชนทั้งหลายมีเหตุผลจนต้องทําชั่วก็แปลว่ามีเหตุผลจนต้องตกนรก นะมีเหตุผลจนต้องเกิดเป็นเปรตมีเหตุผลอธิบายได้ว่าทําไมเขาต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานอธิบายได้หมดว่าทําไมเขาต้องไปเป็นเปรตอดอยากหิวโหยอธิบายได้หมดว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมก็เพราะว่าเขาอาธิบายได้ว่าทําไมเขาต้องทาชั่วก็แปลว่าอธิบายได้ว่าทําไมเขาต้องไปสู่อบายเนี่ยนะแล้วก็ไปทีนี้เอาไปอะไรนะเอาแบบชาทนานชานีสูตรใช่ไหมถ้าท่านทําชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วท่านไปตกนรกเนี่ย ท่านอธิบายให้ยมพบาลฟังแล้วท่านจะฟังไหมไท่านได้ยิน่ะแต่ว่าท่านไม่รับอุทธรณ์ไม่รับอะไรทั้งนั้นนะท่านก็ยังไต่ขึ้นมานะอธิบายได้ว่าทําไมจะต้องําชั่วเนี่ยนะมีเหตุผลจะต้องทําบาปเป็นต้นเนี่ยนะนะกักกฎหมายจะช่วยแก้ได้ไหมหลวงเรืองไปได้นะะอีกสูตรหนึ่งอนาถบินทิกสัเสเศรษฐเทพบุตร อนาถาบินทิกาเศรษฐีเทพบุรนั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นผู้ที่ได้ยินคําว่าพุทโธในปีติเลยเข้าเฝ้าครั้งแรกเป็นพระโสดาบันคืนนั้นนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนเลยนะอยากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามากเมื่อเข้าเฝ้าก็เป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ชาวเมืองสาวัตถีบ้างนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์ยินดีในที่สงัดเนี่ยนะยินดีใน ที่ที่ที่สงัดอนาถาก็บอกเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะก็เลยไปซื้อสวนเจ้าเชตนะซื้อสวนเจ้าเชตเป็นเงินก็เรียกว่าเอาเงินนี้ไปปูเลยนะปูหมด18โก ด, ด้วยกันปูเงินซื้อที่18โกดแล้วก็เสร็จแล้วก็สร้างเสนาสนะอีก18โกดฉลองอีก18โกดเนี่ยนะก็สิ้น54โกดเลี้ยงพระโดยปกติวันละประมาณ500รูปอยู่จนตลอดชีวิต ตอนก่อนจะตาย น, นะนะก่อนจะตายท่านก็ได้นิมนต์ภาษาริบุตรไปแสดงธรรมให้ฟังภาษารฤบุตรก็ไปแสดงธรรมให้ฟังเพื่อไม่ให้มีใจติดข้องในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเปร็นรสอ่ะนะไม่ให้ติดข้องในอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6กภาษาหเวทนาหเป็นต้นธาตุธาตุหกเลยนะว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ให้เกิดความยึดถือในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัด ซึ่งอนาถาบินทิกาเศรษฐีฟังจบก็น้ําตาไหลบอกว่าโอ้พระคุณเจ้าน่าจะแสดงอย่างนี้ให้พวกคารวาสเป็นต้นฟังบ้างนะนะเพรบอกว่าแสดงอยู่แต่ว่าแสดงในหมู่พระพิสูจนเป็นส่วนมากในที่สุดพระสารีบุตรกับพระนนกลับไปอนาถาบินทิกะเศรษฐีก็ทําการละทําการล ะ, ะก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตปฐมยามผ่านไปก็คือเที่ยงคืนไปแล้วลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะนะยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัย พอมาถึงนะก็กล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าพระเชตวันนี้มีภิกษุสงฆ์เสพอาศัยพระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาประทับอยู่พระเชตวันนี้ทําให้ข้าพระเจ้าเกิดปีติยินดีมันคําว่าเชตวันของท่านเนี่ยเป็นคําที่ท่านอารมณนาทิปติมากปีติมากเพราะอะไรเพราะเป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลแหล่งคุณงามความดีแหล่ง ที่ท่านอยากทํามากความปรารถนาของท่านมาตลอดแสนกับเพื่อจะสร้างเชตวัน น, นะตั้งความปรารถนามาแสนกับเพื่อจะสร้างเชตวันเป็นผู้ที่มีอุปการะมากต่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมันท่านก็ฟังธรรมฟังธรรมจนเป็นผู้ที่เข้าวัดวันละสอรอบไปเช้าไปเย็นไปเช้าไปเย็นแล้วบางวันก็ไปสองสามครั้งเพื่อจะฟังธรรมนั้นเป็นที่ที่ท่านเกิดปีติปราโมทย์มากเ อ, อิบอิ่มในกุศลธรรม เพราะทุกแห่งเนี่ยนะเป็นที่ที่ท่านเจริญบุญไว้หมดทุกตารางนิ้วในสวนเชตาวันเนี่ยท่านเจริญบุญไว้หมดแล้วนะไม่ใช่บางแห่งน่ยนะบอกว่าทุกตารางนิ้วทําบาปไว้หมดไม่ใช่แต่ว่าทุกตารางนิ้วเนี่ยท่านทําบุญไว้หมดพระพิสุทุกรูปท่านได้ทําบุญด้วยหมดเพรัะในบริเวณนั้นจะว่ามนุษย์เท ว, วดามูสัตว์ที่โคจรไปตรงนั้นเนี่ยท่านทําบุญไว้หมดแล้วเพราะจึงเป็นที่ตั้งแห่งปีติเพราะปีติทั้งหลายเกิดจากกรรมอันไม่มีโทษ ปีติทั้งหลายเกิดจากปราโมทปราโมทก็เกิดจากความไม่เดือดร้อนใจที่ไม่เดือดร้อนใจก็เพราะทําแต่ความดีไม่ได้ทําบาปเอาไว้ในสวนเชตาวันท่านไม่ได้ทําบาปแม้แต่นิดเดียวเลยท่านไม่เคยรู้สึกเสียใจกับเชตาวันเลยมีแต่ปีติมีแต่ความปราบปลืม้มมีแต่ความยินดีเป็นแหล่งที่จเจริญบุญจเจริญกุศลของท่านเพราะนั้นมันบอกว่ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าฟังว่าวิหารเชตาวันเนี่ยทำให้ข้าพเจ้ายินดีเพราะเหตุผลสองประการหลักๆ เป็นที่พระภิกษุสง์อาศัยและพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาประทับอยู่ร็่แล้วท่านก็กล่าวถึงหลักการปฏิบัติของศาสนาว่ากรรมคือมรรคเจตนาวิชาคือมรรคปัญญาธรรมคือมรรคสมาธิและชีวิตอันอุดมคือศีลมีอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยมรรคมีองค์8ดนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือบริสุทธิ์ด้วยสัพไม ผู้ที่จะบริสุทธิ์พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตบรรลุมรคผลนิพพานไม่ใช่บรรลุด้วยโคดหมายค่ะว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหตระกูลดีแล้วจะได้บรรลุมรคผลไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นหรือรวยมากแล้วจะได้บรรลุมรคผลไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นอันนี้คำของอนาถะกล่าวเองท่านบอกว่าคนที่จะบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงบริสุทธิ์ด้วยมรแปดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจท่านบริสุทธิ์ด้วยอะไรด้วยกรรมคือมรคเจตนา ด้วยวิชาคือมัคคัปัญญาด้วยธรรมคือมัคคสมาธิและชีวิตอันอุดมคือเศษมันคำว่าวิชาคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะธรรมคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิชีวิตอันอุดมคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะความบริสุทธิ์มีได้ด้วยมัค8อันนี้แหละบริสุทธิ์จากอบายพ้นจากอบายพ้นจากสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาด้วยโสดาปฏิมัคที่ประชุมพร้อมด้วยองค์8 บริสุทธิ์จากการมราคะพยาบาทอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมัคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่จะบริสุทธิ์จากการมมพบทั้งหลายก็ด้วยอนาคามิมัคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าบริสุทธิ์จากวัตะโดยสิ้นเชิงก็อริยมัคอันประกอบไปด้วยองค์8ระดับอรหัตตมัคมันไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยนามสกุลไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยมีมหาพูดมากๆแล้วจะบริสุทธิ์ใช่ไหม ไม่เนี่ยนะมหาพูดก็อย่างว่านะแปลว่ามหาเศร้าอย่งั้นดูแลมหาพูดมากก็เศร้ามา ก, ก น, นะเศร้าทางจิตใจเนี่ยมองมากเชื่อจะให้เป็นเจ้าของกิจการสักห้าสิบแห่งเลยนะให้เป็นเจ้าวาดห้าสิบวัดเลยเ อ, เอาไว้อยยินชื่อก็ขนลุกแล้วนะเพราะฉะนั้นแหลบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ของตนควรเลือกเฟ้นธรรมะโดยแยบครประโยชน์ของตนนี่อะไรคือประโยชน์ของตนประโยชน์เนี่ยแบ่งเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งในที่นี้เนี่ยในความคิดของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยนะประโยชน์โลกนี้ท่านก็ได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์แล้วประโยชน์โลกหน้าท่านก็เกิดในดุสิตแล้วแต่ว่าประโยชน์อย่างยิ่งของท่านคืออะไรคือพระนิพพาน เมื่อท่านผู้ที่ต้องการประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์คือพระนิพพานหรือประโยชน์คืออรหัตผลพึงเลือกเฟ้นธรรมะโดยเย็บใคหมายคาอว่าเลือกเฟ้นอริยสัจจะทำโดยเย็บใครเฟ้นทำปริญญาในกองทุกเฟ้นละสมุ ท, ทยัยเฟ้นทำนิโรธให้แจ้งเฟ้นเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เฟ้นพิจารณาในการไขครัควรอริยสัจเห็นทุกสัจว่าปีละนะ ระเดือดอเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนสังคตะอันปัจจัยปรุงแต่งและวิปริณามะมีความแปรไปเห็นสมุทัยว่าอายุหะนะนําไปสู่พบใหม่นิทานะเหตุแห่งพบใหม่ปลิสโพธะเปโพธสังโยคะประกอบผัวพันเห็นนิโรสัจว่านิสรณะเห็นนิโรสัจว่าเป็นอมตะนิโรสัจะเป็นอสังคตะนิโรสัจะเป็นวิเวกะเป็นที่สงบสงัด เห็นมัคคสัจจะว่าเป็นนิยานิกะนําออกจากทุกขเป็นทัศนะเห็นพระนิพพานเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานและเป็นอธิปัตยะเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมผู้ที่เลือกเฟ้นโดยแยกใายในอริยสัจธรรมเขาย่อมบริสุทธิ์ในอริยมรรคเพราะเมื่อเลือกเฟ้นทุกเห็นทุกตามเป็นจริงเลือกเฟ้นสมุทัยเห็นสมุทัยตามเป็นจริงเลือกเฟ้นนิโรธเห็นนิโรธตามเป็นจริงเลือกเฟ้นมรรค เจริญอริยมรรคได้ตามเป็นจริงเขาย่อมบริสุทธิ์ด้วยอํานาจของอริยมรรคบริสุทธิ์จากจาจาราคะด้วยอนาคด้วยอรหัตตมรรคบริสุทธิ์จากโทสะด้วยอนาคาเมมรรคบรรลุจากบริสุทธิ์จากโมหะด้วยอรหัตตมรรคบริสุทธิ์จากสกายทิทีวิจิกิจชาด้วยโสดาปฏิมรรคเป็นต้นท่านผู้ที่จะบริสุทธิ์นี่ก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคอริยมรรคเกิดจากการเลือกเฟ้นโดยเยบคายใน อริยสัจเนี่ยนะเลือกเฟ้นโดยเย็บคายในอริยสัจนั้นถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจวิจัยในอริยสัจแทงตลอดอริยสัจเขาย่อมบริสุทธิ์ด้วยอย่างนี้พระสารีบุตรเป็นผู้ประเส ร, ริฐด้วยปัญญาด้วยศีลและความสงบกิเลสท่านผู้ยอดเยี่ยมที่านะท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งพิสุผู้บรรลุพระนิพพานเพราะ ท, ท่านบอกว่าในบรรดาพิสุนะไม่อย่างเก่งก็เท่าพระสารีบุตรแต่ว่าไม่มีใครเท่า ในพุทธเขตคือศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระสารีบุตร เ, เขาบอกว่าสาวกองค์ที่หนึ่งคือพระสารีบุตรสาวกองค์ที่สองพระโมคคัลลานะสาวกองที่สามพระมหากส ป, ปะหลังจากนั้นเลิกนับแต่ก็มีมหาสาวกอยู่มหาสาวกก็เช่นพระอานนท์เป็นต้นพระมหากัจยนะพระมหาโกธิตะท่านเหล่านี้ก็เป็นมหาสาวกผู้ใหญ่ แล้วก็มีอสิติมหาสาวกแต่ว่าในสูงสุดเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาที่สุดในบรรดาหมู่ภิกษุทั้งหลาย น, นะผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาที่สุดไม่มีใครเกินพระสารีบุตรอันนี้ก็เป็นคำที่อนาถบินธิกะเศรษฐีมากล่าวเล่าถวายพระพุทธเจ้าตอนเช้ามาพระพุทธเจ้าก็เล่าให้แก่ภิกษุสงฆ์ฟังอยู่ในอนาถบินทิกสูตรน่นะสูตร เ, นะเหล่านี้ที่กล่าวถึงว่า การออกจากราคะโทสะโมหะที่เรียกว่าความบริสุทธิ์นั้นความบริสุทธิ์นั้นคือความพ้นจากราคะโทสะและโ ม, มหะอ้การที่จะพ้นราคะโทสะโมหะเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็เกิดจากการมีอริยมรรคการมีอริยมรรกก็เกิดจากการเลือกเฟ้นอริยสัจธรรมการเลือกเฟ้นอริยสัจธรรมได้ก็เนื่องจาก มีสุตตมยายานฟังอริยสัจธรรมมาเป็นอย่างดีเมื่อฟังอริยสัจธรรมเป็นอย่างดีจึงสามารถเลือกเฟ้นไข้ควรอริยสัจเมื่อเลือกเฟ้นอริยสัจก็ทุกสัจควรกําหนดรู้ก็ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยสัจที่ต้องละก็ต้องละนิโรธสัจจะที่ต้องทําให้แจ้งก็ทําให้แจ้งมรรคสัจจะที่ต้องเจริญก็มีการเจริญเมื่อเจริญอย่างนี้ได้แล้วก็จะบริสุทธิ์ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะ แก่แหวนเงินทองไม่โดยลําพังตัวเองไม่สามารถทําให้บริสุทธิ์ได้โคตรเป็นต้นก็ไม่ได้ทําให้บริสุทธิ์ได้แต่ถามว่าทรัพย์และโคตรเป็นต้นเป็นอุปนิสัยให้บรรลุได้ไหมบอกได้เนี่ยนะเป็นอุปนิสัยได้แต่ไม่ใช่ตัวทําให้บริสุทธิ์แต่อ้อมอมเนี่ยได้เนี่ยนะก็ อ, อย่างว่าคนมีทรัพย์กับไม่มีทรัพอันไหนฟังธรรมได้กว่ากันก็มีทรัพย์มากกว่าคนมีทรัพย์กับไม่มีทรัพยใครมีเวลาฟังธรรมมากกว่ากันเนี่ยนะ คนมีทรัพย์ก็ไม่มีทรัพย์ใครมีเวลาจะเจริญกุศลได้มากกว่ากันเป็นต้นแต่ว่าตัวทรัพย์เนี่ยไม่แน่ถ้าใช้ไม่เป็นก็ดาบสองคมะนะก็อย่างว่าถ้ามีทรัพย์อย่างว่าเออถ้ามีทรัพย์แล้วเอาไปทําอะไรมีรถสักคันหนึ่งจะเอาไปทําอะไรใช่ไหมมีบ้านสักหลังหนึ่งสร้างห้องนอนเป็นอย่างดีแล้วนอนทําอะไรเป็นต้นเนี่ยเพราะถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปัญหาสําคัญก็คือว่าตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนไหมเพื่ออะไรเพราะทรัพย์ทั้งหลายก็อยู่ที่ว่าโภกทรัพย์ถ้าคนฉลาดก็ตั้งเพื่อว่า ข้อคัซซัเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเป็นสะพานให้เจริญอริยทรัพย์ได้อย่างไรต่างหากอีกคาถาหนึ่งทัตเทกรัตตสูตรทัตเทกรัตตสูตรนั้นก็เป็นคาถาที่กล่าวถึงนิเพทภาคยะเหมือนกันบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึง สํานพระไตรปิฎกทั่วไปจะแปลแบบนี้แต่ตรงนี้ก็แปลโดยอัฏฐะเลยว่าบุคคลไม่ควรคิดถึงขันห้าในอดีตด้วยตัณหาและทิฏฐิตรงตัวหมายคือว่าไม่ใช่ว่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วส่งใจถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตด้วยตัณหาไม่ใช่นั่งเจริญอกุศลวิตกคิดถึงว่านะในอดีตรูปเรางามกว่านี้เยอะเดี๋ยเรามีความสุขกว่านี้มากมายสติปัญญาก็ดีดีเห็นแต่สิ่งที่ดีเป็นต้นเนี่ยเรก็คิดถึงขันห้าในอดีต ด้วยอำนาจตันหาบาล ก, ก็คือสรุปว่าตามเห็นชีวิตในะอดีตวันนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราโอยเนี่ยอดีตช่างสุกจริงเนะอะนะอดีตช่างงามจริงหนาะอดีตช่างจีรังยั่งยืนแท้อเนี่ยนะเราจะย้อนเวลาไปหาอดีตจริงแล้วอย่างไรพวกเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคำหนึงแบบนั้นไม่ควรปรารถนาะอัตภาพคือขันห้าที่เป็น อนาคตเนี่ยนะคือไม่ควรตั้งความปรารถนาด้วยอำนาจตันหาว่าว่านั่นโอยถ้าเราจะมีรูปเราเพิ่งมีรูปเช่นนั้นเพิ่งได้เวทนาเช่นนั้นได้สัญญาได้สังขารได้วิญญาณเป็นต้นเช่นนั้นเช่นนั้นด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิผู้ ท, ที่อะไรนะมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็มุ่งหวังว่า อในหนังบกนาชาติหน้านะขอให้เรามีตาอย่างนั้นขอให้เรามีหูอย่างนั้นมีจมูกอย่างนั้นมีลิ้นอย่างนั้นมีกายอย่างนั้นมีใจเช่นนั้นเช่นนั้นก็เรียกว่าปรารถนาสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เรียกว่าปรารถนาอนาคตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปอลาลัยอาวร์ในสิ่งที่เป็นอดีตอย่าไปมุ่งหวังสิ่งที่ยังที่เป็นอนาคตเลยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าอดีตมันก็ดับไปเลยหมดแล้วในอดีต รูปเหล่านั้นยังเหลืออยู่ไหมเวทนาเหล่านั้นยังเหลือไหมสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นยังเหลืออีกไหมตาหูจมูกเล่นกายใจเหล่านั้นเหลือไหมก็ไม่เหลือสิ่งที่เป็นยังไม่มาถึงในอนาคตเนี่ยท่านบอกว่าชาติหน้าเนี่ยนะอีกสูตรในในตรงเนี้ยถ้าตามอัตรกรถาอัทาสาลีนีกล่าวถึงกัจจยณะพัเทกรตะคาถาที่อัตกถาท่านยกบอกว่า ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วหมายคืว่าอย่าไปนั่งอาไยอาวอ์ในอดีตชาติเลยกับอย่างที่สองก็คืออย่าไปนั่งมุ่งนั่งหวังว่าชาติหน้าขอให้ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นเลยเพราะอะไรเพราะอดีตชาติมันก็หมดไปแล้วในอดีตชาติชาติหน้าก็ยังไม่มาถึงมนุษย์ไปนั่งหวังไปทําไมส่วนบุคคลใดเห็นธรรมะปัจจุบันปัจจุบันคือปัจจุบันชาติเนี่ยนะที่เจริญวิปัสสนานั้นๆ นะคือหมายเขาว่าพิจารณาเห็นอัตภาพในปัจจุบันนี้แหละพิจารณาขันห้าในชาตินี้นั่นแหละด้วยอํานาจอ น, นิจจานุปัสนาเป็นต้นบาลีท่านบอกอ น, นิจจานุปัสนาทีเห็นะนะอ น, นิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาเนพิธานุปัสนานิโรธาวิราคาปฏิเนสัขานุปัสนา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 อนุปัสนาเจตเนี่ยนะเจริญในอิริยาบถ ท, ทั้งสไม่ว่าจะป่าโพนไม้เรือนว่างเป็นต้นอยู่ที่ใดก็ให้เป็นไปกับอนุปัสนาเจตผู้บุคภูดบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาพึงพอกพูนวิปัสสนานั้นแหละเป็นวิปัสสนาที่ไม่มีความกำหนัดเป็นวิปัสสนาที่ไม่กำเริบไม่กำเริบด้วยอะไรด้วยตันหาไม่กำหนัดด้วยอำนาจของตันหาไม่กำเริบเพราะตันหา วิปัสนาที่ไม่กำเริบวิปัสนาที่ไม่กำหนัดมุ่งเพื่อแทงตลอดพระนิพพานที่ไม่กำหนัดนะะอาสังหิรังอาสังกุ ป, ปังเนี่ยนะไม่กำหนัดและไม่กำเริบด้วยพันธรรมที่ไม่กำเริบที่แท้จริงก็คือพระนิพพานมันเจริญสมถะวิปัสานาโดยเฉพาะวิปัสนาที่ไม่กำเริบเพื่อพระนิพพานที่ไม่กำหนัดเนี่ยนะยนะอาสังหิรังอาสังกุปังอาเชวะกิจมาตัพังโกนชัญญามรณัะสเวเนี่ยนะ ความเพียรควรทำในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้จักความตายที่จะมาถึงในวันพรุ่งเพราะการพัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากกล่าวคือเหตุแห่งความตายเนี่ยมีเป็นอันมากไม่มีสำหรับเราทั้งหลายเหตุปัจจัยแห่งความตายมากเหลือเกินเมื่อเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากเนี่ยนะใครจะเอามาอะไรนะถือว่าบริวารแห่งความตายเอาอะไรไปพัดเพีย้ยนละ มีใบอะไรไปผัดผ่อนกับความตายบอกนะเอาใบาอันนี้ยื่นให้ความตายบอกรออีกสาวันเดี๋ยวทําบุญก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยเยวยังไม่ได้เจริญนิพพานาเดี๋ยวขอเวลาไปเจริญสสนิพพานหน่อยโหนี้อริยสัจก็ยังไม่ได้บรรลุเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลารู้อริยสัจก่อนเอาอะไรเล่าไปผัดเพี้ยนกับความตายเนี่ยนะแล้วเนี่ยขำบ อ, อกว่าเขามีโรคบางโรคเนี่ยนะซื้อเวลาไม่ตายได้ประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือน ถ้าถือว่าเดือนละหลายแสนแนะนะหลายแสนด้วยกันแต่ว่าเวลาสามองสเดือนนี่อยู่แบบทรมานที่สุดอาเจียนวันละหลายรอบแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่ออีกหน่อยอเดือนสักเดือน2เดือนแล้วก็จ่ายอีก 2- อสามแสนเป็นอย่างน้อยสนใจไหมซื้อแพงมากเลยนะสอามแสนขอเวลาอาเจียนต่ออีก 3, 2, สาเดือน2เดือนเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ตายอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละ คือสรุปว่าจะอะไรก็ช่างเธอชีวิตทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบเมื่อชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบนั้นความเพียรเนี่ยควรทําวันนี้แหละถ้าจะเจริญกุศลคุณงามความดีถ้าถ้าจะทําควรทําในวันนี้เธอถ้าจะบอกหลายเรื่องบอกรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้เช่นวิปัสสนาเนี่ยรอพรุ่งนี้ได้ไหมถ้าพรุ่งนี้เกิดจุติจิตทงท่งเงขึ้นมาอะไรจะทํางานเขา อ, อเออไม่เอาแล้วฉันไม่เกิดต่อให้กันแล้วนะฉันจุติดีกว่าใน ชาดกเรื่องหนึ่งเ็าเรียกว่าหัตถิปาระชาดกกับอายุขรขาดกเนี่ยนะก็เห็นกันตอนเช้าหลัดหลัดตกเย็นมาก็ตายแล้วเห็นตอนเย็นกันหลัดหลัดตื่นเช้ามาก็ตายแล้วนะไปเรียบปลุกมากินข้าวเอานอนแข็งทื่อยงงนะสมัยก็ถือว่าปกตินะออกจากบ้านพักเดียวก็โครมเนี่ยนะรถวอมาแล้วเป็นต้นนั้นเอาอะไรแน่นอนล่ะว่าชีวิตเป็นของจีรังยั่งยืน ในสหัสวรรคคาถาธรรมบทพระองค์ตรัสว่าคนที่มีความเพียรมีชีวิตอยู่วันเดียวเอกหังชีวิตตังไสโยเนี่ยนะมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนเกียรติ้านมีชีวิตอยู่ร้อยปีนันชีวิตถ้าหากว่าอยู่เป็นร้อยปีแต่ว่าไม่เจริญโดยเฉพาะเนี่ยตามสูตรนี้แหละเป็นชีวิตร้อยปีที่คำานึงแต่อดีตวังแต่อนาคตเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละ จิตก็เป็นไปกับตัณหาและทิฏฐิเป็นไปกับตัณหามานะและทิฏฐิชีวิตของคนนี้มีชีวิตอยู่100ปีไม่ได้ประเสริฐกว่าคนที่อยู่ด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวไปแล้วมีชีวิตอยู่วันเดียวเนี่ยนะผลชีวิตของผู้ที่เจริญอนุปัสนาเนี่ยนะก็คือชีวิตที่พิจารณาเห็นความเกิดความดับของอุปาทานขันห้าพราะองค์บอกว่ามีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนที่ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้แม้มีชีวิตอยู่ร้อปี พระพุทธเจ้าผู้สงบตรัสเรียกบุคคลผู้อยู่อย่างมีความเพียรเป็นคนที่ไม่เกียดตครานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเช่นนั้นว่าพัเทกรัตตะผู้อยู่ราตรีเดียวก็เจริญหมายถึงว่าชีวิตมีแค่วันเดียวก็เจริญแล้วเจริญคือว่าไม่เกียรครานทั้งกลางวันและกลางคืนคาว่าเพียรนี้คืออะไรเพียรเพียรเพียรเพียรเพียรอะไรนะเต้นยักยักยทั้งวันเลย สัมมาวายามะและสัมมาวายามะมันคืออะไรพีสัมมัปปทานเนี่ยนะก็คือสัมมัปปทานสัมมัปปทานหนึ่งสังวรปทานสองปหาณาปทานสามภาวนาประทานสี่อนุรักษณาประทานไอ้คําว่าเพียรเนี่ยไม่ใช่ว่าโหยุกยิบยกแต่ทั้งวันเนี่ยนะนั่งจะปวดเมื่อยหมดเลยเรียกว่าเพียรก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคําว่าเพียรหมายถึงว่าเพียรสังวรไม่ให้บาปไหลเข้ามาจะทวาร ตาหูจมูกเลนส์กายใจพอเลยใช่ไหมพอมกันยังทีนี้หมายเขาว่าโอ้โหอุตส่าห์ปิดตาปิดหูปิ ด, ปดทุกทวารแล้วอากุศลวิตตกมันกำเริบขึ้นภายในขึ้นมาใช่ไหมโอ้ยเรื่องเก่าๆผุดมาเรื่องความหลังครั้งเก่าแก่นี่มาหมดเลยอุตส่าห์จะไปอยู่วัดเงียบๆซะหน่อยใช่ไหมเช่าคุติมันอย่า ง, งดีเลยนะคล้ายๆกับแบบอะไรนะจะเห็นป่าตรงนี้ดีเหลือเกินนะก็เลยจานครับเดี๋ยวผมขอหลีกเล่นอยู่ป่านู้น น, นะครับเอาไปเถอะ เพื่อนก็นั่งพักนึงที่เหลือความหลังทั้งเก่าแก่นี่มาหมดเลยสมัยนั้นนะสมัยเนี้ก็นั่งไปเพื่อนคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังแล้วก็ไปที่ป่าแห่งหนึ่งแถวนายอามจันทบุรีไปไปขึ้นอยู่บนเขาเลยโอ้ยป่านี่มันดีเหลือเกินทั้งนั้นเขาไปกลางกรดบอกคืนนั้นไม่ได้เรื่องเลยทั้งคืนนะอาวสาว่าวจำนึกว่ามันที่ส ป, ปาหญ้นะเพราะอะไรรู้ไหม ไปนั่งนึกถึงความหลังครั้งเก่าแก่ทั้งหมดเลยนะไม่ได้อะไรเลยคืนนั้นมันก็ไม่ได้นะิดแต่เรื่องความหลังเขาเรียกอะไรอาคุศลวิตกก็เกิดขึ้นอาคุศลวิตตกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เพียรด้วยอะไรประทานปหาณประท า, านเพียรกําจัดอาคุศลวิตตกเหล่านั้นพอกําจัดอกุศลวิตตกเหล่านั้นระ ง, งับเลยก็อยู่เฉยๆเลยไม่ภาวนาประทาน ต้องพอกพูนคุณธรรมเช่นพอกพูนสัมมาทิฏิถ้าส ม, มาทิฏิมันงอกขึ้นเท่านี้ต้องเพิ่มปริมาณอีกสัมมาสังกาปากก็เพิ่มปริมาณขึ้นเนี่ยนะเพิ่มปริมาณสัมมาสติเพิ่มปริมาณสัมมาสมาธิเพิ่ ม, ม, ม, ม, ม, มพมคุณภาพของกุศลเหล่านั้นเรียกว่าภาวนาประทานใส่แล้วอนุรักษณาประทานอนุรักษ์เอาไว้ก็เลยกลายเป็นพวกอนุรักษนิยมใช่ ก็กลับมาหาภาวนาประทานเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มากรักษาแล้วห า, าาหาเพิ่มได้มารักษาหาเพิ่มได้มารักษาแล้วก็หาเพิ่มอยู่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะบริ บ, บรูรเรียกว่าเป็นคนมีความเพียรเพียรอย่างนี้ไม่เกียจคร้านในการเจริญอย่างเนี้ยทั้งกลางวันและกลางคืนเรียกว่าคนเหล่านี้นะมีชีวิตอยู่วันเดียวก็จเจริญแล้วเนี่ยนะมีชีวิตอยู่คืนเดียวก็จเจริญพระสูตรที่กล่าวเนี่ยก็เป็นพระสูตรประเภทนิเพทภาคิยะ นะที่กล่าวถึงวิปั ส, สนาเป็นต้นเพื่อมุ่งถอนราคะโทสะและโมหะเพื่อทำให้รู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานอีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการเหล่านี้ควรทำให้แจ้งประจักษ์สี่ประการเป็นฉไหนะภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่ควรทำให้แจ้งประจักษ์ด้วยจักสุและปัญญามีอยู่ ทำทั้งหลายที่ควรทำให้แจ pues mm ้งประจักษ์ด้วยสติและปัญญามีอยู่ทำทั้งหลายที่ควรทำให้แจ้งประจักษ์ด้วยนามกายและปัญญามีอยู่ทำทั้งหลายที่ควรทราบด้วยปัญญาและควรทำให้แจ้งประจักษ์ด้วยปัญญามีอยู่ก็มีสี่ข้อด้วยกันข้อแรกพิกษุ์ทั้งหลายทำทั้งหลายที่ควรทำให้แจ้งประจักษ์ด้วยจักษุและปัญญาเป็นไฉน หรือปัญญาจักสุเนี่ยนะคือทิพจักสุญาณที่บริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ควรทําให้แจ้งประจักด้วยจักสุและปัญญาก็คือปัญญาจักสุหรือทิพจักสุนั่นเองทิพจักสุยานที่รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายเรียกว่าจุติอุบัตเนี่ยนะจุตูปปาตะจุติอุบัตินะตาตาตตสัตว์ผู้ได้ดีตกยากเนี่ยนะมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นงามได้ดีตกยากว่าหมูสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วย กายทะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเ ต, ต, ตียนท่าหริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิกระทํากรรมด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกเพราะกรรมเหล่านั้นที่เขาสมาทานทําให้พรั่งพร้อมหรือมูสัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเ ต, ตียนพระหหริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิกระทํากรรมด้วยอํานาจสัมมาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมที่ทําไว้สมมาฐานพั่งพร้อมเนี่ยน ะ, ะความรู้อันนี้เป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งประจักด้วยจักสุและปัญญาที่ประจักสุยานที่บริสุทธิ์อันนี้อันหนึ่งนะ่ยควรทําให้แจ้งด้วยจักสุและปัญญาก็คือปัญญาจักสุที่รู้ความเกิดและความตายคําว่ารู้เกิดรู้ตายหรือรู้ของไทยใช้คําว่ารู้เกิดแลว้วก็รู้ตายแต่บาลีจุตุจุติบวกอุบัติหมายคาว่ารู้ตายแลว้วก็รู้เกิด เมื่อตายจากพบนี้ย่อมไปสู่พโน้นตายจากพโน้นไปสู่พพโน้นเป็นตน้นนะะไปไหนเนาะภพไหนเนาะวนๆอยู่แถวนั้นนะแต่ถ้าเรามีกายของเราเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนดีโอ้ยผูกพันตัวเองมากเลยนะคิดถึงแต่ตัวเองแล้วมีตัวเองเป็นอารมณ์เนี่ยนะตายไปถ้าเกิดถ้าถ้ า, ถางั้นนะเป็นอะไรชัยอยู่ในนั้นแลยอันที่สองพิสูจทั้งหลาย ทำทั้งหลายที่ควรทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยสติและปัญญานี่เป็นไงคือปุเพนิวาส า, านุสติญาณควรทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยสติและปัญญาคืออนุภาพของสติสตินี่แปลว่าลักษณะระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม่นานได้เหมือนอย่างว่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็ระลึกถอยหลังไปก่อนจะมานั่งตรงนี้มาจากไหนะนะเป็นต้นก็มาจากการเดินทางการเดินทางมาจากไหนมาจากบ้านก่อนจะมาถึงบ้านมาจากไหนเป็นต้นนะก็ระลึกถอยๆ อกในหนึ่งบอกว่าเหมือนบุรุษคนหนึ่งไปนั่งอยู่ที่หนึ่งะนะไปสมายว่าออกจากบ้านตัวเองไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน2องสหลังคาเรือนแล้วก็กลับมานั่งที่บ้านก็นั่งระลึกถึงว่าอ๋อเราไปเยี่ยมเพื่อนคน น, นั้นจากคนนั้นไปหาคนโ น, น้นจากคนโน้นก็ไปหาคน น, นั้นแล้วก็มานั่งอยู่ในที่สันดนั่นแหละเขาเรียกว่าระลึกได้อันนี้ก็เหมือนการระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากนะระลึกไดหนึ่งชาติ2ชาติ3มชาติสีชาติ5ชาติ สิบชาติยี่สิบสามสิบสี่ห้าสิบหกเจ็สิบแปดสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากเป็นต้นเนี่นะว่าในภพนั้นเรามีเกิดที่นั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์ย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกเช่นนั้นเช่นนั้นเนี่ยนะมีอาหารเช่นนั้นเช่นนั้นดํารงอยู่ณภพนั้นเท่านั้นจุติจากชาตินั้นแล้ว ไปเกิดในภพนนทนแม่ภพนน้นมีชื่อมีโคดมีผิวพันธ์ได้สเสวยอาหารเช่นนั้นรับสุกรับทุก์เช่นนั้นเช่นนั้นเรียกว่ารู้ในกําเนิดะนะในหมูสัตว์นั้นๆในกําเนิดอันนั้นในสัตตะนิกายเหล่านั้นเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยสติและปัญญาเพราะการทําให้แจ้งรประจักษ์ด้วยสติก็คือระลึกชาติได้นั่นเองถ้าจากักโสเนี่ยเห็นสัตว์เกิดส ต, ตายถ้าสติเนี่ยระลึกชาติ อย่างที่สามที่สุดทั้งหลายทำทั้งหลายที่ควรทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยนามกายและปัญญาเป็นไฉนอิทธิวิทยานคือการแสดงฤทธิ์ได้และนิโรธคือพระนิพพานควรทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยนามกายและปัญญาอันนี้นามกายตัวนี้หมายถึงกุรธรรมนะนะที่ประกอบร่วมกับอริยมรรคก็แบ่งออกเป็นสองชุดสิ่งที่ควรทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยนามกายคืออิทธิวิว ท, วทยานก็คือการแสดงฤทธิ์เนี่ยนะเช่นอะไรนะเหาะ เดินบนอากาศเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้มุดลงไปในน้ําเหมือนมุดลงไปในมุดลงไปในแผ่นดินเหมือนมุดลงไปในน้ําก็ได้เดินทะลุช่องฝาภูเขาเป็นต้นเหมือนกับเดินเข้าออกประตูก็ได้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกได้ไว่าอิทธิวิทยานส่วนนิโรดนั้นก็คือพระนิพพานนั้นควรทําให้แจ้งประจักษ์เรียกว่าในกีตาคิริสูตรจังกีสูตรก็คือเขาบอกว่าใช้คําว่าทําให้แจ้งประจักษ์ปรมาทัศั์จะด้วยนามกาย ทำให้แจ้งปร ะ, ประมัทสัจจะด้วยกายก็คือทําให้แจ้งนิโรธคือพระนิพพานนะไม่ใช่นิโรธสมาบัตินะคือนิโรธคือพระนิพพานอันนั้นข้อสุดท้ายพี่สุทั้งหลายทำที่ควรทราบด้วยปัญญาและควรทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาเป็นไฉยยานเป็นที่ยานที่เป็นไปในความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายควรทราบด้วยปัญญาและควรทําให้แจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาก็คือ อาสวัคคยาญเนี่ยนะอาสวัคคยานาญาณที่เป็นที่ไปสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหรือคยาญยาณญาณที่ทําให้อาสวะหมดสิ้นก็คืออริยผลญาณอริยผลญาณก็มาจากอริยะมะขยานดังนั้นอริยะมะขยานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทราบชัดด้วยปัญญาควรทราบด้วยปัญญาเพราะปัญญานั้นเกิดขึ้นก็แทงตลอดอริยสัต ร, รู้อัดทั้ง16ประการของอริยสัตร์นั่นเอง พระสูตรเหล่านี้ที่พระองค์ตรัสในจากยกจากอังคุตรนิกายจตุกานิบาศเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นนิเพธภาคยาสูตรเป็นสูตรที่มุ่งกล่าวเพื่อให้ละอะไรนะถ้ารู้สัตว์เกิดสัตว์ตายละอะไรระลึกชาติได้ละอะไรหมายความว่าเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยก็ละอวิชาที่ไม่รู้สัตวจจุติและอุบตัติและก็ไม่รู้อนาคตต่อไป คืออวิชชาเนี่ยนะความไม่รู้ในอดีตความไม่รู้ในอนาคตความไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตความไม่รู้อริยสัจทั้งหลายไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าอาวิชชามันปัญญาที่รู้ก็คือรู้อดีตด้วยปุเพนิวาสานุสติยานรู้อนาคตด้วยอะไรจุตัวปปาตายานรู้ทั้งอดีตอนาคตด้วยด้วยยานทั้งสองเหล่านั้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเชื่อมโยงกันโดยปฏิจจสมุปบาท แล้วก็พิจารณาอนนั้นโดยวัตตนิวัตต์โดยเหตุของวัตต์และก็เหตุแห่งนิวัตต์ก็เห็นว่าความเป็นไปในสังสารวัฏนั่นแหละเป็นทุกขสัจจะตรงกันข้ามกับทุกขสัจจะก็เป็นนิโรสัจจะแล้วอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์และอะไรเป็นทางแห่งพระนิพพานก็สามารถทําให้แจ้งอย่างนั้นได้พวกนี้ก็เป็นปัญญาทั้งนั้นการแสดงปัญญาเพื่อละอวิชชาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นนิเพทภาคยะเป็นพระธรรมที่อยู่ในส่วนแห่งการชำแรกกิเลสทั้งหลาย ได้ไปสามกลุ่มเลยนะสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือสังกิเลสภาคยาสูตรสูตรที่ว่าด้วยส่วนแห่งความเศร้าหมองสองวาสนาภาคยะสูตรสูตรที่อยู่ในส่วนแห่งบุญวาสนาหมายถึงบุญเนี่ยนะบุญยะภาวนาการทําบุญทั้งหลายเป็นต้นอย่างที่สามก็คือนิเพทภาคยาสูตรนิเพทภาคยาสูตรมุ่งถึงการละสิ่งที่ควรละและเจริญในสิ่งที่ควรเจริญ ซึ่งจากต่างจากบุญยะภาคยะบุญเนี่ยจะกล่าวถึงการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลนะการมีศรัทธาการเลื่อมใสในพระตนะไตรยเป็นต้นคุณงามความดีเหล่านี้เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นปัจจัยให้ไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาณเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไร น, นะบุญกุศลเหล่านี้สร้างเป็นอย่างไรเป็นต้นนั้นเป็นสูตรกลุ่มด้วยวาสนาภาคยะสูตรเรียกว่าฟังธรรมเอาบุญเวาสนาแบบนั้นนะ ให้ทานเป็นวาสนาไปรักษาศีลเพื่อเป็นวาสนาไปตอนนี้ไปคุยเด็กๆ เ, เพื่อให้เด็กมันมีวาสนาบ้างอารหังสามมาสามพุโทโธพระขวาสวสวดระมหมดพอสวดจบแค่นั้นเลยเอยอสบายเลยนะก็เด็กก็สนุกไปอย่างนึงผู้ใหญ่ก็ดีกันคนละอย่างกันส่วนนี้เพทภากคียสูตรสรุปอีกครั้งว่าเป็นสูตรที่มุ่งละสิ่งที่ควรละแล้วก็เจริญอนุปัสนาแล้วก็อริยมรรคเป็นหลักเนี่ยนะ พระสูตรที่กล่าวถึงการละบาปอากุศลเน้นวิปัสนาและอริยมรรคเรียกว่านิเพทภากยสูตร